บ้านเช่าสยองซอยสิบเก้าที่เชียงคานสมัมผัสสี่ยองเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวเชียงคานจังหวัดเลยผมกับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดเจ็ดคนได้ไปเที่ยวที่ภูทับเบิกและนอนค้างที่นั่นหนึ่งคืน เช้ามาก็พากันเก็บของเพื่อเดินทางต่อไปที่เชียงคานผมขับรถถึงเชียงคานประมาณบ่ายสามโมงแต่ลืมจองห้องพักไว้ช่วงที่ผมเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยเลยหาที่พักยากมากพวกผมเจ็ดคนแยกย้ายหาที่พักกันอยู่นานไปถามที่ไหนก็เต็มหมดหากันอยู่เป็นชั่วโมงก็ยังไม่ได้ที่พัก แต่ความพยายามยังไม่หมดด้วยที่อยากพักที่เชียงคานมากอยากเดินเล่นถนนคนเดินและไปดูทะเลเหมอกภูทอกในตอนเช้าเราจึงพยายามหาที่พักกันต่อไปหากันอยู่นานจนถึงโฮมสเตย์แห่งหนึ่งที่ติดริมโขงโฮมสเตย์แห่งนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงติดอันดับที่พักใน Google เลยทีเดียวผมกับเพื่อน เดินเข้าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณห6 0สปีนั่งอยู่ที่ส่วนต้อนรับคาดว่าน่าจะเป็นคนดูแลโฮมสเตย์แห่งนี้อยู่ก่อนหน้านี้ผมปรึกษากับเพื่อนแล้วว่าถ้าหาที่พักรวมกันไม่ได้ก็ค่อยแยกย้ายพักกันคนละที่ขอให้ไม่ไกลจากกันมากก็พอพวกผมจึงเดินเข้าไปถามคุณยายคนนั้น เพื่อติดต่อห้องพักแต่แกบอกว่าที่พักเต็มหมดแล้วผมก็ยังขยันขยอให้แกหาห้องว่างสักห้องให้ยายเงียบไปสักพักทำหน้าเหมือนคิดอะไรอยู่แล้วจึงบอกว่าเออยายมีบ้านพักเป็นหลังอยู่ในซอย19สนใจกันหรือเปล่าล่ะพ่อหนุ่มพักกันได้หลายคนเลยนะพวกผมดีใจมาก ไม่รอช้ารีบตกลงในทันทีโดยที่ยังไม่ได้ถามราคาด้วยซ้ำยายก็นำทางพวกผมไปที่ซอยส9เกจนถึงบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวมีหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำสามารถจอดรถได้ยายเปิดประตูให้พวกผมเข้าไปดูภายในบ้านแต่ยายไม่เดินเข้าไปด้วย แกยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วบอกให้พวกผมเข้าไปดูข้างในบ้านได้เลยตอนนั้นพวกผมไม่เอะใจอะไรระหว่างที่เดินเข้าไปดูในบ้านยายแกก็บอกว่าถ้าพักบ้านหลังนี้จะมีขนมกาแฟน้ําดื่มให้ฟรีด้วยความที่ผมอยากได้ที่พักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงตัดสินใจตกลงเข้าพักในทันที อยู่บ้านด้วยกันทั้งหมดแบบนี้จะได้ปาร์ตี้กันตอนกลางคืนด้วยพาอบอกตกลงจะเข้าพักยายแกเลยบอกราคาค่าเช่าว่า 1,400 บาทผมว่าเป็นราคาที่ถูกมาก 1,400 บาทได้พักบ้านเป็นหลังในช่วงไฮซีซั่นแบบนี้อีกด้วยถึงตอนนี้พวกผมก็ยังไม่เอกใจกัน รีบคว้าเงินใจในทันทีแต่เริ่มมาสะดุดตรงที่พอให้เงินแกแกรับเงินแล้วก็รีบกลับไปเลยทั้งที่ปกติเวลาเราเช่าห้องหรือเช่าโรงแรมต้องมีการทำสัญญาวางเงินประกันหรือวางหลักฐานเช่นบัตรประชาชนก่อนที่จะเข้าพักแกบอกแค่ว่าจะออกตอนไหน ก็เอากุญแจบ้านไปให้แกผมเลยถามแกว่าไม่ต้องเอาบัตรประชาชนไว้กับยายเหรอยายก็ตอบมาว่าไม่เป็นไรพวกผมก็พากันคิดว่าอย่างนี้ก็ดีไม่ต้องวางบัตรให้ยุ่งยากด้วยความอ่อนเพลียพอได้บ้านพวกผมก็พากันพักผ่อนนอนเล่นอย่างสบายใจนัดกันว่าสักหกโมงเย็น จะไปเดินถนนคนเดินกันปกติแล้วโดยส่วนตัวถ้าผมไปพักที่ต่างถิ่นจะไหว้เจ้าที่แล้วก็ขอขามาด้วยทุกครั้งแต่รอบนี้ผมลืมสนิทจริงๆพวกผมพากันนอนพักจนถึงห้าโมงกว่าๆเพื่อนชวนกันไปตลาดเพื่อซื้ออาหารมาทำกินกันในตอนเย็นพอกลับมาจากตลาด เพื่อนบางคนก็ชวนกันไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินแต่ผมร้อนเลยบอกให้เพื่อนไปก่อนขออาบน้ำก่อนแล้วจะตามไปเพื่อนๆ พ, พากันไปเดินเล่นหมดเหลือผมกับแฟนที่อยู่บ้านจึงพากันอาบน้ำคลายร้อนสักหน่อยแต่ระหว่างที่อาบน้ำนั้นก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นผมกับแฟน ก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำผมจึงปิดน้ำแล้วเรียกชื่อเพื่อนเพราะนึกว่าเพื่อนมาแต่ก็ไม่มีเสียงใครตอบรับเลยแล้วเสียงเดินนั้นก็หายไปผมกับแฟนก็นึกว่าคงหูฝาดไปเอง เลยเปิดน้ำอาบต่อพออาบไปได้สักพักเสียงคนเดินก็กลับมาอีกผมปิดน้ำแล้วก็เรียกชื่อเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครตอบเหมือนเดิมในใจผมตอนนั้นเริ่มสงสัยแล้วแต่ไม่อยากให้แฟนกลัวเลยบอกว่าอาบต่อเถอะพออาบต่อเสียงเดินก็ดังอีกผมเลยเปิดประตูห้องน้ำออกไปในทันที แต่สิ่งที่เห็นกลับคือความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยผมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วเลยบอกแฟนให้รีบอาบระหว่างอาบคราวนี้ไม่ได้มาแค่เสียงเดินแต่มีเสียงเปิดประตูมุงลวดผมลองเรียกชื่อเพื่อนแต่ก็เงียบนึกขึ้นได้ว่าผมล็อกประตูจากในบ้านจะมีคนมาเปิดมุงลวดได้ยังไง ผมเลยออกจากห้องน้ำเดินมาที่ประตูหน้าบ้านซึ่งไม่ห่างกันมากนักเมื่อผมไปถึงก็ต้องตกใจหน้าเสียเพราะลูกบิดประตูยังคงล็อกอยู่เหมือนเดิมผมจึงบอกแฟนให้รีบออกไปถนนคนเดินกันดีกว่าแต่ก่อนออกไปผมได้โทรศัพท์แบบวิดีโอคอลไปหาแม่คุยกันได้อยู่แป๊บหนึ่งอยู่อยู่ แม่ก็พูดว่าเอา้าจะหกโมงแล้วยังมีแม่บ้านทําความสะอาดบ้านให้พวกแกอยู่เหรอเพราะแม่ทักแบบนี้ผมก็น่าเสียในทันทีแล้วผมก็บอกกับแม่ว่าผมอยู่กับแฟนสองคนไม่มีใครนะไม่มีแม่บ้านด้วยเพราะแม่ได้ยินดังนั้นแม่ก็เงียบไปหลังจากผมวางสายแล้ว ผมก็รีบพาแฟนออกไปเดินเล่นจนเวลาใกล้หนึ่งทุมพวกผมกลับเข้าบ้านมาทำกับข้าวกินกันอยูย่ๆก็มีเด็กผู้ชายอายุประมาณห้าขวบเดินเข้ามาในบ้านแล้วบอกกับรุ่นน้องของผมที่ไปด้วยกันว่าชอบคนนี้อยากได้คนนี้เจ้าคนนี้รุ่นน้องผมคนนี้เป็นผู้ชาย ซึ่งผมไปกันทั้งหมดเจคนมีคู่กันหมดแล้วยกเว้นคนที่โดนบอกว่าชอบเป็นคนโสดอยู่คนเดียวตอนนั้นพวกผมก็ขำกันแล้วเด็กคนนั้นก็มานัวเนียรุ่นน้องคนนี้มาหอมแก้มจับมือพยายามจะมาจูบตอนนั้นพวกผมก็ยังขำกันอยู่เพราะคิดว่าเด็กมันทะลึ่งแก่แดด สักพักก็มีเสียงผู้หญิงเรียกเด็กคนนี้ด้วยน้ำเสียงแบบไม่พอใจเธอเป็นแม่ของเด็กคนนี้นี่เองเด็กคนนี้เลยวิ่งกลับบ้านไปซึ่งบ้านนั้นอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่ผมพักพอดีหลังจากนั้นพวกผมก็ทำกับข้าวกันพอทำเสร็จก็เอาออกมากินกันหน้าบ้าน เฮฮาสนุกสนานกันไปแล้วเด็กคนนั้นก็กลับมาอีกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วพูดว่าอยากกินกินด้วยกินด้วยได้ไหมพวกผมได้ยินแต่แกล้งทําเป็นไม่ได้ยินเด็กคนนั้นเลยพูดขึ้นมาว่ากูบอกว่าขอกินด้วยคราวนี้น้ําเสียงเด็กคนนี้แปลกไป ดูแข็งแปลกๆสักพักแม่เด็กคนนี้ก็ตะโกนเรียกเด็กกลับบ้านอีกครั้งแต่รอบนี้น้องเขาเดินกลับไปด้วยสายตาขวางแต่พวกผมก็ยังกินกันต่อที่หน้าบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกแปลกใจอีกครั้งตรงที่เวลามีคนเดินผ่านหรือขับรถผ่านทุกคนจะมองด้วยสายตาแปลกๆ บางคนมองจนสุดคอแต่พวกผมก็ไม่ใส่ใจนั่งกินกันต่อจนถึงสามทุ่มกว่าก็เลิกเพราะพรุ่งนี้เช้ามืดจะตื่นไปพูทอล์กหลังจากที่แยกย้ายกันอาบน้ำระหว่างนั่งรอห้องน้ำว่างรุ่นน้องที่ไปด้วยก็เดินในบ้านดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยจนไปเจออัลบั้มรูปเล่มหนึ่งจึงเปิดดู ก็เห็นเป็นรูปที่ถ่ายอยู่ภูทอกทะเลหมอกสวยมากพวกผมก็เปิดดูไปเรื่อยๆเพราะเปิดไปได้สักพักจากรูปที่ถ่ายสวยงามกับกลายเป็นงานศพในตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกวิววิวแล้วไม่เจอรูปงานศพแบบนี้ผมจึงบอกให้รุ่นน้องเอาไปเก็บที่เดิมพอทุกคนหนาบน้ากันครบหมดแล้ว ผมกับเพื่อนก็ได้ไปนั่งดูดบุหรี่อยู่บริเวณหน้าบ้านผมรู้สึกได้ถึงความแปลกของบ้านหลังนี้เลยลองคุยกันดูกูว่าบ้านหลังนี้แปลกๆยังไงไม่รู้ว่ะเออกูก็รู้สึกตอนอาบน้ำผมยังไม่ทันได้บอกเพื่อนเรื่องที่ผมเจอตอนที่กำลังอาบน้ำเลยถามมันว่าเจอยังไง แล้วมันก็บอกว่าตอนกูอาบน้ำอยู่อะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีเสียงคนหายใจหอบๆเออกูก็เจอแบบนั้นแหละเราทั้งสองต่างมองหน้ากันคุยกันว่าจะไม่บอกให้ใครรู้เดี๋ยวจะพากันกลัวไปหมดผมกลับเข้าไปในบ้านแล้วบอกให้น้องๆไหว้พระก่อนนอน ด้วยที่ห้องนอนมีอยู่ห้องเดียวในห้องมีเตียงสองเตียงผมกับแฟนแล้วก็เพื่อนกับแฟนนอนในห้องนั้นด้วยกันสี่คนรุ่นน้องนอนรวมกันข้างนอกสามคนจนเวลาสี่ทุ้มกว่าพวกผมปิดไฟในห้องเพื่อพักผ่อนส่วนพวกน้องๆยังนอนดูทีวีกันอยู่ระหว่างที่ผมกำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นอยู่ๆ รุ่นน้องที่นอนอยู่ข้างนอกก็ตะโกนร้องโวยวายเสียงดังรุ่นน้องอีกคนวิ่งมาเคาะประตูห้องพวกผมอย่างรีบร้อนผมรีบวิ่งออกมาภาพที่ผมเห็นในตอนนั้นคือไอแอลรุ่นน้องผมคนนั้นคนที่ถูกเด็กบ้านตรงข้ามมาบอกว่าชอบมันนั่งร้องไห้เหมือนกับเด็กๆพูดไม่เป็นภาษาไม่รู้เรื่องพวกผมตกใจกันมาก เขาไปถามน้องมันก็ร้องไห้อย่างเดียวเอาแต่พูดซ้ำๆว่าผีหลอกผีหลอกผมหันไปถามน้องอีกคนว่าเกิดอะไรขึ้นน้องบอกผมว่าตอนแรกนอนดูทีวีกันอยู่พอดูไปสักพักทีวีก็ปิดเองเข้าใจว่าไอแอลมันปิดแต่แอลกลับมาถามบีว่าปิดทีวีทำไมบี B มันก็ไม่ได้เป็นคนปิด แอลคิดว่าอาจจะมีคนนอนทับรีโมทก็ได้ก็เลยไม่ใส่ใจแต่พอแอลทําท่าจะนอนอยู่ๆทีวีก็เปิดขึ้นมาเองแล้วแอลก็ตาค้างพร้อมกับชี้ไปที่ตรงทีวีนั้นแล้วร้องล่นบ้านพอผมได้ฟังเรื่องราวก็พอจะรู้แล้วว่าเจ้าแอลเจอดีเข้าให้แล้วตอนนั้นแอลยังร้องไห้ไม่หยุด ผมก็เลยไปเอาน้ำเย็นใส่แก้วพร้อมกับสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วเอาน้ำนั้นให้แอลดื่มแอลจึงค่อยๆหยุดร้องและอาการก็ดีขึ้นพอแอลเริ่มมีสติดีขึ้นแล้วผมก็ถามเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าแอลเล่าทั้งน้ำตาให้ผมฟังว่าผมก็นอนดูทีวีอยู่ดีๆนะพี่ทีวีมันดับ ผมก็นึกว่าไอ้บีเป็นคนปิดผมเลยถามมันมันก็บอกว่าไม่ได้ปิดผมก็เลยไม่ใส่ใจคิดว่าจะนอนแล้วแต่อยู่ๆทีวีมันก็เปิดเองเพราะผมหันไปมองทีวีผมก็เห็นภาพที่แอลเห็นคือผูห้หญิงแก่ๆคนหนึ่งยืนจ้องมองอยู่ด้วยสายตาที่น่ากลัวแอลกับหญิงแก่ลึกลับจ้องตากันอยู่พักหนึ่ง แอลก็เกิดสติแตกกลัวสุดขีดแล้วร้องไห้เป็นเด็กไปเลยแอลเล่าต่อว่าหลังจากที่เห็นหญิงแก่คนนั้นก็วูบจำอะไรไม่ได้อีกและเพิ่งมารู้สึกตัวตอนที่ผมเอาน้ำมาให้กินตอนนั้นพวกผมนอนไม่หลับกันแล้วเลยเดินสำรวจภายในตัวบ้านก็พบห้องหนึ่งมีกุญแจล็อกไว้อย่างแน่นหนา และมีแผ่นยันสีแดงติดอยู่ที่หน้าห้องพร้อมกับข้อความเขียนด้วยชอกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดน่าแปลกมากก่อนหน้านี้ทำไมพวกผมทั้งเจดคนไม่มีใครเห็นห้องนี้เลยพวกผมทั้งหมดตัดสินใจไปนอนรวมกันในห้องนอนโดยเปิดไฟไว้ทั้งบ้านพอผมเดินดูภายในห้องก็พบว่าหน้าต่างทุกบาน มีพยันสีแดงติดอยู่และมีสายพระห้อยอยู่เป็นจุดๆทำไมก่อนหน้านี้ผมกับเพื่อนไม่เห็นสิ่งของเหล่านี้เลยพวกผมนอนเรียงกันทั้งหมดเจ็ดคนในห้องเดียวแต่ไม่มีใครคมตาหลับได้ลงพวกผมเริ่มจะนอนกันไม่ได้แล้วเพราะไฟในบ้านดับเองแล้วก็เปิดเองคล้ายๆกับไฟตกแค่นั้นยังไม่พอ เสียงเปิดประตูมุงลวดก็ดังขึ้นเหมือนมีคนเปิดปิดประตูเล่นพอเจอแบบนี้พวกผมเริ่มไม่ไหวกันแล้วเจ้าแอวกับพวกผู้หญิงเริ่มสติหลุดนอนตัวสั้นกันหมดผมก็พยายามปลอบน้องๆบอกให้ทุกคนรีบเข้านอนเช้ามาจะได้รีบกลับทุกคนเลยตกลงรีบนอนตอนนี้พวกเราทั้งเจ็ดคน นอนเรียงกันเป็นแถวเดียวในห้องนอนนี้จะมีช่องที่สามารถมองออกไปภายในห้องโถงของบ้านได้ระหว่างที่กำลังจะหลับนั้นผมก็เหลือบไปเห็นเจ้าแอวกับเจ้าบีที่นอนติดกันมองออกไปทางช่องลมแล้วทำตาค้างหน้าตาตกใจเจ้าแอลเริ่มน้ำตาไหลอีกครั้งทุกคนเห็นว่า เจ้าแอลกำลังร้องไห้เลยมองตามไปที่ช่องลมเพราะทุกคนมองไปที่ช่องลมก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นเพราะตรงนั้นมันมีดวงตาของคนมองผ่านช่องลมจ้องเข้ามาภายในห้องเพราะปุ๊ผมเปิดไฟไว้ทั้งบ้านพอมีอะไรมาบังตรงช่องนั้นมันก็จะต้องเห็นเป็นเงา แต่พวกเรากลับเห็นตรงนั้นเป็นรูปหน้าคนใบหน้านั้นมีดวงตาเบิกกว้างจ้องขเขม่งมาที่พวกเราเป็นไปไม่ได้เลยที่ตาจะฝาดหรือคิดไปเองเพราะพวกเราทั้งเจ็ดคนเห็นภาพเดียวกันทั้งหมดที่สำคัญช่องลมันนี้อยู่ภายในตัวบ้านถ้าเรามองจากช่องลมออกไปเราจะเห็นห้องโถงของบ้าน จะมีใครอื่นเข้ามาในบ้านทั้งที่ล็อกประตูแล้วได้ยังไงพวกเราทุกคนชอค็อกทำอะไรไม่ถูกส่วนพวกผู้หญิงก็ร้องกรีดรันบ้านเจ้าแอวร้องไห้พูดไม่เป็นภาษาผมเองก็ชอ็อกแต่ด้วยความที่ผมอายุเยอะที่สุดต้องทำใจดีสู้เสือรอบน้องๆไปก่อน ตอนนี้ดวงตาที่จ้องมองผ่านช่องลมได้หายไปแล้วแต่พวกเราก็ยังอยู่ในห้องนอนนั้นไม่กล้าที่จะออกไปเที่ยงคืนกว่าๆพวกเราตัดสินใจว่าจะกลับอยู่ต่อไม่ไหวแล้วเพราะเจ้าแววร้องไห้ไม่ยอมหยุดพวกเรารีบเก็บของยิงเร็วที่สุดเสร็จแล้วก็ออกมายืนที่หน้าบ้านคุยกันว่า เอากุญแจบ้านไปฝากไว้กับใครดีตอนนั้นผมเห็นคนข้างบ้านจึงเดินเข้าไปหาเพื่อจะฝากกุญแจให้ยายเจ้าของบ้านขอโทษนะครับผมรบกวนฝากกุญแจบ้านไว้ให้ยายเจ้าของบ้านหน่อยครับคนข้างบ้านคนนั้นก็ยิ้มได้จ้ากลับเร็วจังเนาะผมรู้สึกสงสัยว่าทาไมคนข้างบ้านไม่แปลกใจเลย ที่พวกผมกลับกันตอนเที่ยงคืนผมขับรถออกมาจากบ้านหลังนั้นด้วยคำถามที่ติดอยู่ในหัวมากมายมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่หลังจากที่พวกเรากลับถึงข้อนแก่นแล้วผมก็ตามสืบหาเบื้องหลังของบ้านหลังนี้จนได้เจอข้อมูลที่ทำให้ผมกระจ่างถึงบางออผมได้ขอให้รุ่นพี่ที่เป็นตํารวจ ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นว่ามันมีอะไรหรือเปล่ารุ่นพี่ตำรวจของผมแกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วยประสานไปที่เพื่อนตำรวจที่อยู่จังหวัดเลยให้ช่วยดูข้อมูลบ้านหลังนี้และแล้วเราก็เจอข้อมูลสำคัญรุ่นพี่แกบอกกับผมว่าเพื่อนแกที่เป็นคนท้องที่ได้ลองไปถามญาติที่อยู่ในเชียงคาน ซึ่งเป็นครูและพอจะรู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้รวมไปถึงรู้จักเจ้าของโฮมสเตย์ที่ผมเข้าไปติดต่อและพาผมมาพักที่บ้านหลังนั้นด้วยคุณครูท่านนี้เล่าทุกอย่างที่ท่านทราบมาให้ฟังว่าบ้านหลังนี้เดิมทีอยู่กันสามคนมียายเจ้าของบ้านแล้วก็ลูกอีกสองคนแต่พอลูกโต ก็พากันออกไปทำงานที่กรุงเทพและไม่เคยกลับมาเยี่ยมยายคนนี้สักครั้งแกเลยน้อยใจและซึมเศร้าในที่สุดก็มีคนไปเจอยายแก่าตัวตายอยู่ภายในห้องซึ่งก็คือห้องที่มีกุญแจล็อกเขียนว่าห้ามเปิดพร้อมผ้ายันสีแดงที่ผมและเพื่อนเจอในคืนนั้น พอผมได้ยินเรื่องราวของยายเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ทำให้ผมเข้าใจในทันทีว่าทำไมยายเจ้าของโฮมสเตย์ไม่เดินเข้าไปในบ้านและไม่เอาเงินประกันหรือหลักฐานอะไรไว้สักอย่างเพราะแกคงรู้ดีว่าพวกผมคงไม่สามารถเอาอะไรไปจากบ้านหลังนี้ได้ส่วนชาวบ้านที่เห็นพวกผม นั่งกินข้าวกันอยู่ที่หน้าบ้านตอนนั้นคงมองด้วยความสงสัยว่าทำไมพวกผมถึงมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ทั้งๆ ท, ที่ในบ้านมีคนตายพยันติดเต็มไปหมดรวมถึงคนข้างบ้านที่ไม่แปลกใจเลยที่พวกผมกลับกันตอนเที่ยงคืนคงเป็นเพราะอาจจะมีคนก่อนหน้าผมเคยมาฝากกุญแจไว้ที่แกเหมือนกัน ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันสอดคล้องกับเรื่องที่คุณครูท่านเล่าให้ฟังทั้งรูปงานศพในบ้านผู้หญิงแก่ที่เจ้าแอลเห็นและที่ผมกับเพื่อนได้ยินเสียงคนเดินอยู่บริเวณห้องน้ำซึ่งอยู่ติดติดกับห้องที่ปิดตายห้องนั้นแต่ผมก็ยังสงสัยว่าวิญญาณที่พวกผมเจอต้องการอะไรและที่ผมสงสัยที่สุดคืออะไร ที่ทำให้เด็กคนนั้นเข้ามาในบ้านหลังนี้เข้ามาหาพวกผมมาบอกว่าชอบอยากได้แอลมาขอกินข้าวด้วยและขึ้นเสียงก้าวร้าวเมื่อพวกผมทําไม่สนใจทั้งๆ ท, ท, ที่บ้านเด็กคนนั้นกำลังกินหมูกระทะกันอยู่แถมแอลก็เป็นคนเดียวที่เห็นผู้หญิงแก่ยืนอยู่ข้างๆทีวีเรื่องนี้ยังติดอยู่ในความคิด ของผมตลอดเวลาหลังกลับมาจากบ้านหลังนั้นล่าสุดผมเดินทางกลับไปที่เชียงคานอีกครั้งคราวนี้ผมจองที่พักไว้ล่วงหน้าโดยให้คนในพื้นที่ที่เพิ่งรู้จักกันจากที่ทำงานช่วยหาให้ผมพักบ้านเป็นหลังเหมือนเดิมแต่ราคาต่างจากบ้านหลังนั้นเยอะมากรอบนี้ผมพักซอยส6 ช่วงที่ผมไปคือช่วงเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันหยุดยาวถือว่าเป็นไฮซีซันเหมือนกันบ้านพักและห้องพักต่างๆเต็มหมดผมไปกับพวกรุ่นพี่ทั้งหมด8ดคนแล้วผมก็เล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอที่บ้านหลังนั้นให้ทุกคนฟังพวกรุ่นพี่ผมก็นึกอยากเห็นว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไง ผมจึงพาเดินไปที่ซอยสิบเก้าในเวลาประมาณตีหนึ่งเมื่อไปถึงบ้านหลังนั้นยังคงปิดไว้และไม่มีคนพักทั้งทั้งที่เป็นไฮซีซั่นแต่กลับไม่มีใครพักอยู่บ้านหลังนี้เลย สมภัสยอ